ที่สองยิมมะพานมียี่สิบเจ็ดพระคาถาตะโตจุตตาสาพุสตีขติยาอุปปัชชะเชตุตตะมะินาคเรสัญชะเยนสมาคมิ ถ้าสมาเสธารยิตวานะกรโณติอุรังปัทถคินังเวสานังวิทยามัชเชชะเนสิปุสติมะมังณโนะอกาสปนีอาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาสแสดงพระสัทธรร ม, มเทศนา ในเวสันดรชาดกจิมาพานกันที่สองสืบอนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสของพุทธศาสนิ ก, กชนทั้งหลายดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นแล้วว่าตะโตตุตาสา พุตรีเป็นต้นแปลความว่าเมื่อพระนางพุษธีเทศกัลยาน้มรับพระพรทั้งสิบประการจากเท้าสกเกติวราชแลว้วก็จุติจากดาวดึงพิภพนั้นบังเกิดในพระคันอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราช ค, ครั้นครบถ้วนทศมาศก็ประสูติจากพระคันในวันขนานพระนามของพระนางนั้น พระญาตทั้งหลายขนานพระนามว่าผุดสีตามพระนามเดิมเพราะเมื่อพระนางประสูตรมีพระชวีวันราวกะว่าประพรมด้วยผงแก่นจันแดงและเมื่อประสูตรแลว้วพระนางพุดสีราชธิดา น, นั้นก็เจริญด้วยบริวารมากในการที่พระนาง ม, มีพระชนได้ 16, สิบหกพระพันษาได้เป็นผู้ทรงพระรูปอันอุดม ครั้งนั้นพระเจ้าศรีวีมหาราชทรงทราบถึงเกียรติศัพท์ความงามของพระนางจึงจัดแจงพิธีอาวาหะมงคลมงคลสมรสมีด้วยกันสองอย่างคือหนึ่งอาวาหะมงคลแปลว่าการหาหญิงมาอยู่บ้านของตนหมายถึงการแต่งงานที่ฝ่ายชายจะนําผู้หญิงที่ตนแต่งงานด้วยมาอยู่ที่บ้านของตน เรียกว่าอาวาหะมงคลซึ่งเป็นประเพณีการแต่งงานที่นิยมปฏิบัติกันมากในประเทศอินเดียฝ่ายเหนือสองวิวาหะมงคลแปลว่าการพาออกไปหมายถึงการแต่งงานที่ฝ่ายชายจะต้องถูกนำไปอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเรียกว่าวิวาหะมงคลเป็นประเพณีแต่งงาน ที่นิยมปฏิบัติกันมากในประเทศอินเดียฝ่ายใต้ส่วนการแต่งงานตามประเพณีแบบไทยๆ ไ, ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายชายหรือฝ่ายชายจะไปอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงหรือจะแยกกันไปอยู่ตามรังพังก็ตามก็เรียกว่าวิวาหะมงคลทั้งสิน้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพิธีวิวาพระเจ้าสีบีทรงนำพระนางสดุดสี มาเพื่อประโยชน์แก่สัญชัยกุมารพระราชโอรสแล้วยกกราชสมบัติให้แก่สัญชัยกุมารพระราชโอรสนั้นโดยยกให้พนางพุทธดีเป็นใหญ่กว่าเหล่านารีหนึ่งหมื่นหกพนางทรงตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัคระมะเหสีของสัญชัยกุมารพระราชโอรสเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าพนางพุทธดีนั้นจุติจากดาวดึงเกวโลกแล้ว บังเกิดในขติยะสกุลได้ทรงอยู่ร่วมด้วยพระเจ้าสันชัยในนครเชตุดรพระนางพุดสดีได้เป็นที่รักที่เจริญใจแห่งพระเจ้าสันชัยยิ่งนักครังนั้นเท้าสักกะเทวราชเมื่อทรงพิจารณาดูแล้วก็ทรงทราบว่าบรรดาพรทั้งสิประการที่ได้ให้แก่นางผุดสดีนั้นพรเก้าประการสําเร็จแล้ว จึงทรงดำริว่าการได้พระราชโอรสอันประเสริฐเป็นพรข้อหนึ่งที่ยังไม่สําเร็จแก่พระนางเราจะให้พร น, นั้นสําเร็จแก่พระนางในการนั้นพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์ประทับอยู่ในดาวดึงสีวโลกอายุของพระโพธิสัตว์นั้นจวนจะสิ้นแล้วเท้าสักกะเทวราชทรงทราบถึงความนั้น จึงไปสู่สำนักของพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์แล้วตรัสว่าแนะ่ท่านผู้นิรุตุกควรที่ท่านจะไปสู่มนุสโลกโดยถือปฏิสนธิในพระคันแห่งนางพุทธีอัครมเหสีของพระเจ้าสีวีระณกรุงเชตุดรเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้ตรัสชนีแล้วพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์เจ้าซึ่งเป็นเทวบุตร ก็ทรงกล่าวคำปฏิญารับปากและได้นำเหล่าเทพระบุตรอีกหกหมื่นองค์ไปบังเกิดในเคหะสถานแห่งอมบาตหกหมื่นคนก็ในเมื่อพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์สเสด็จอยู่ในพระคันของพระมารดาพระนางพุทษดีก็บังเกิดโงหะลิีอาการแพ้ท้องทรงปารพที่จะสร้างโรงทานหกแห่ง คือที่ประตูพระนครทั้งสี่ที่ถ้ำกลางพระนครหนึ่งและที่ประตูพระราชวังอีกหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้ทานแก่คนกัมพร้าอนาถาและทรงสละพระราชทรัพย์บุกแสนกหาปณ ะ, ะทุกๆวันเพื่อบริจาคทานครั้นพระเจ้าสันใจศรีวีราชทรงทราบความปรารถนาของพระนางจึงให้เรียกพรามทั้งหลายผู้เป็น โูราพึกษาจาร์มาทำศักการะใหญ่แล้วตรัสถามเนื้อความแห่งนิมิตนั้นกรามผู้รู้นิมิตทั้งหลายจึงทูลพยากรว่าข้าแต่มหาราชเจ้าท่านผู้ยิ่งดียิ่งในการให้ทานมาอุบัติในพระคันแห่งพระราชเทวีเขาจะไม่อิ่มในการบริจาคทาน พระราชาได้ทรงสดับพยากรนั้นก็มีพระหฤทัยยินดีจึงโปรดให้สร้างโรงทานหกแห่งมีประการดังกล่าวมาแล้วให้เริ่มสร้างทานบริจาคจำเดิมแต่การที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิสวยสาอากรของพระเจ้าสัญชัยนับตั้งแต่การนั้นได้เจริญขึ้นเหลือประมาณเหล่าพระราชาในชมพูทวีทั้งสิ้น ตาก็ส่งเครื่องบรรณาการมาถวายพระเจ้าสัญชัยด้วยบุญญาณุภาพแห่งพระเวสสัดนดรโพธิสัตว์พระนางทุษธดีราชเทวีก็มีบริวารใหญ่เมื่อสรงพระคารครบสิบเดือนบริบูรณ์ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จเรียบพระนครจึงกราบทูลพระราชสวามีพระเจ้ากรุงศีวี พระเจ้ากรุงศรีวีจึงได้ตกแต่งพระนครให้วิจิตบวชด้วยประการต่างๆดุดเทพนครให้พระราชเทวีทรงรถราชที่นั่งอันประเสรศิฐทาประทักสินเวียนรอบพระนครในการนั้นเมื่อพระนางเสด็จถึงข้ามกลางถนนแห่งพ่อค้าลมกรมชวาตะคือลมเบ่งก็ปั่นป่วนราชบุรตษนำความกลาบทูลพระราชา พระราชาทรงทราบจึงให้ทําพระพราสําหรับประสูติแก่พระราชเทวีในท่ามกลามวิถีแห่งพ่อค้าแล้วให้ตั้งการล้อมวงรักษาพระนางพุสดีก็ประสูติพระโอรสณที่นั้นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ได้ประสูติจากพระคันแห่งพระมารดาเป็นผู้มีพระบุรากายบริสุทธิ์ลืมพระเนตรทั้งสองข้างออกมา เมื่อออกมาแล้วก็แบรพระหัตต์ต่อพระมาณดาตรัสว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันจะ บ, บริจาคทานมีทรัพย์อะไรอะไรบ้างครั้งนั้นพระชนนีตรัสตอบว่าพ่อจงบริจาคทานตามอัธยาศัยของพ่อเถิดแล้ววางถุงกะหาปณะพันหนึ่งในพระหัต์ที่แบอยู่มีข้อหน้าสังเกตว่า พระโพธิสัตว์เมื่อประสูติแล้วก็ทรงกลิ่งวาจาได้มีอยู่ด้วยกันสามชาติหรือหนึ่งในพระชาติที่เป็นพระมะโหสถเท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาในเวลาที่พระมะโหสถโพธิสัตว์ประสูติจากพระรันของมารดาเท้าสักกะเทวราชได้วางแท่นโพสถแท่นหนึ่งไว้ที่มือของพระมะโหสถโพธิสัตว์แล้วก็เสด็จกลับไป พระมหโหสถโพธิสัตว์รับแท่งโอสถนั้นกำไว้เมื่อนางสุมนาเทวีเห็นแท่งโอสถในมือของบุตรตนจึงถามว่าลูกได้อะไรมาพระมหโหสถโพธิสัตว์จึงตอบมารดาว่าโอสถจะ้ะแม่แล้ววางทิพยาโอสถในมือของมารดาว่ากันว่าเมื่อพระมหโหสถโพธิสัตว์ออกจากคันมารดานั้น ความทุกข์ยากในการคลอดที่ได้มีแก่มารดาแม้สักหน่อยหนึ่งเลยมีอาการคลอดง่ายคล้ายกับน้ำที่ออกจากที่กรองน้ำฉะนั้นในชาติที่สองเป็นชาติที่บําเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระเวสสันดรเมื่อทรงประสูติจากพระคันะมารดาทรงมีความเฉลียวฉลาดทรงลืมพระเนตรในขณะที่ประสูติ เมื่อประสูติแล้วนั่นเองทรงเยียดพระหัตให้พมารดาแล้วตรัสว่าแม่จ๋ามีอะไรบ้างลูกจับให้ทานมารดาของพระเวสสันดรโพธิสัตว์จึงสงมอบสุงทรัพย์หนึ่งพันกะหาปณ ะ, ะที่อยู่ใกล้พระหัตแล้วมีพระราชดำรัสว่าลูกรักจงให้ทานตามอัธยาศัยเถิดส่วนในชาติที่สาม คือพระชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าทรงประสูติที่สวนลุมพินีวันเมื่อประสูติได้เพียงครู่เดียวประทับยืนบนพื้นปัสพีด้วยพระบาทอนรุรยบเสมอผินพระพักตรงไปยังทิศอุดรย่างพระบาทดำเนินไปได้เจ็ดเก้าเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้กับพระอนุนว่าพระโพธิสัตว์ประสูติได้เพียงครู่เดียว ประทับยืนบนปัทภีอยู่ด้วยพระบาทอนุเรศเสมอหินพระพักตรงไปทางทิศอุดรย่างเสด็จดำเนินไปได้เจ็ดเก้าโดยมีเทวดากั้นสวีตตชัดติดตามไปทรงตรวจดูรอบทิดเปล่งอาพิสวาจาว่าเราเป็นเลิศเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วสามารถปล่งวาจาได้จึงมีเพียงสามชาตินี้เท่านั้นครั้งนั้นในการถวายพระนามพระเวสสันดรโพธิสัตว์พระประยุรยา่าทั้งหลายได้ขนานพะนามว่าเวสสันดรคำว่าเวสะแปลว่าพ่อค้า คำว่าสันดอนหรือสันตระแปลว่ามีในภายในทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ประสูติในถนนแห่งพ่อค้าเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าชื่อว่าเวสันดรของเรานั้นไม่ได้เกิดแต่พระมารดาไม่ได้เกิดแต่พระบิดาแต่เราเกิดที่ถนนแห่งพ่อค้าเพราะเหตุนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดร ในวันที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ประสูติช้างทางเชือกหนึ่งซึ่งเที่ยวไปได้ในอากาศนําลูกช้างสีขาวทั้งตัวรู้กันว่าเป็นมงคลยิ่งมาให้สถิตในสถานที่มงคลหัตถีแล้วหลีกไปจนทั้งหลายตั้งชื่อช้างนั้นว่าปัจจายนาเพราะช้างตัวนั้นเกิดขึ้นมาเป็นฐานปัจจัย ช่วยอุปการะแก่การให้ทานของพระเวสสันดรโพธิสัตว์พระเจ้าสันชัยได้ประทานนางนม6กสิบสี่นางผู้เว้นจากโทษประการต่างๆมีสูงเกินตายเป็นต้นได้เป็นผู้ที่มีฐานไม่ยานมีน้ำนมหวานแก่พระเวสสันดรโพธิสัตว์และได้พระราชทานนางนมคนหนึ่งๆแก่เหล่าทาลกหกหมื่นคนผู้เป็นสหาชาติกับพระเวสสันดรโพธิสัตว์ พระเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นทรงเจริญด้วยบริวารใหญ่กับด้วยทารกหกหมื่นดังนั้นพระราชาให้ทําเครื่องประดับสําหรับพระราชกุมารราคาแสนหนึ่งพระราชท า, านแก่พระเวสสันดรราชกุมารพระราชกุมารทรงเปรื่องเครื่องประดับนั้นประทานแก่นางนมทั้งหลายในการเมื่อมีพระชนพรษาสี่ถึงห้าปี และไม่ทรงรับเครื่องประดับที่นางนมทั้งหลายเหล่านั้นถวายคืนอีกนางนมเหล่านั้นกราบทูลประพฤกตุแห่งพระเวสสันดรแด่พระราชาสันชัยพระเจ้าสันชัยทรงทราบข้อประพฤกตุเหล่านั้นก็ให้ทําเครื่องประดับที่มีลักษณะเหมือนกันราคาแสนหนึ่งพระราชาทานให้กับพระเวสสันดรราชกุมารอีกโดยทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกเราได้ให้แล้ว ก็เป็นอันให้แล้วด้วยดีจงเป็นเหมือนพร ม, มไทยคือเป็นเหมือนของที่บิดามันดาได้ให้กับบุตรแต่พระราชกุมารก็ประทานเครื่องประดับแก่เหล่านางนม อ, อีกซึ่งได้ประทานติดต่อกันถึงเก้าครั้งในการเมื่อยังทรงพระเยาว์และในการเมื่อพระราชกุมารมีพระชนพรษาแปปี พระราชกุมารเสด็จไปสู่ปร า, าสาทอันประเสริฐประทับนั่งบนพระยี่ผู้ทรงคิดว่าเราได้ให้ทานภายนอกเพียงอย่างเดียวทานเหล่านั้นยังไม่เป็นที่น่ายินดีแก่เราเราใคร่จะให้ทานซึ่งเป็นภายในเพราะฉะนั้นแม้ถ้าใครๆพึงขอหาไทยของเราเราจะพึงให้ผ่าอุระ แล้วนําหัตถ์ออกให้แก่บุคคลผู้นั้นถ้าเขาขอจกักรสุทั้งหลายของเราเราก็จะควักจกักรสุให้ถ้าเขาขอเนื้อในสรีระของเราเราก็จะเชื้อเนื้อจากสรีระทั้งสิ้นให้หรือถ้าแม้ใครๆพึงขอโลหิตจากเราเราก็จะพึงสละโลหิตให้หรือถ้าแม้ใครๆพึงกล่าวกะเราว่า ท่านจงเป็นทาสของข้าเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสให้แก่บุคคลผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงคำนึงถึงทานอันเป็นไปในภายในซึ่งเป็นพระดำริด้วยตนเองอย่างนี้มหาปัชพีอันนาสองแสนสี่หมื่นยอก็ดังสนั่นวันไหวดุจช้างพลายตัวประเสริฐตกมันอาราวาตคำรามร้อง เขาสีเนรุราชก็โอนไปทางที่กรุงเชตุดอนนครตั้งอยู่ดุจหนอหวายอ่อนที่โอนเองไปมาสาก็ขนองลั่นตามเสียงแห่งปัตพียังฝนลูกเห็บให้ตกสายฟ้าแลบก็เกิดมีขึ้นในสมัยที่มิใช่การเปล่งแสงเบวาวสาครก็เกิดเป็นคลื่นปั่นป่วน เท้าสักกะเทวราชก็ปรบพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเสียงโกรหลเป็นอันเดียวได้มีตลอดถึงพรห ม, มโลกนี้เป็นเหตุที่แผ่นดินไหวขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรสมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไปว่าในการเมื่อเราเป็นทารกเกิดมาได้แปดปี เรานั่งอยู่บนป่าศาสตร์คิดเพื่อจะบริจาคทานว่าเราจะพึงให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายถ้าใครขอเราให้เราได้ยินเราก็พึงให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเป็นภายในอย่างนี้อรุทัยก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผนดิน ซึ่งมีเขาซิเนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็วันไหวแท้จริงแล้วเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวมีแปดประการดังปรากฏอยู่ในคำพีสุมังคระวิราสินีอัตถกถามหาปรินิพานาสูตรทีขนิกายมหาวัคข้อที่98พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระอนุนว่า ดูโกรธ อ, อานนผีดแปดอย่างปัดใจแปดอย่างที่ทำให้แผ่นดินไหวนั้นมีอย่างนี้คือหนึ่งพลาดกรรมเริกสองด้วยอานุภาพของผู้มีฤทธิ์สามพระโพธิสัตว์ก้าวล่วงสู่พระคันสี่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากคันธระมานดา ห้าพระโพธิสัตว์บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหพระพุทธองค์ทรงแสดงธรร ม, มาจากประกาศพระศาสนาเจพระพุทธองค์โปร่งพระชนมายุสังขารแปพระพุทธองค์สเสด็จดับขันธกิรินิพานในบรรดาเหตุแปดประการเหล่านั้นท่านแสดงว่าประการที่หนึ่งธาตุกาเริบ คือโดยปกติแผ่นดินใหญ่จะตั้งอยู่บนน้ำน้ำจะตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศในสมัยที่ลมใหญ่พัดก็จะพัดตัดเอาลมที่อุ้มน้ำไว้ให้ขาดสะบัน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ย่อมทำให้น้ำไหวครั้นน้ำไหวแล้วก็จะทำให้แผ่นดินไหวไปด้วยถ้าน้ำพุ่งขึ้น แผ่นดินก็พลอยพุ่งขึ้นไปด้วยการไหวของน้ําและแผ่นดินย่อมมีมาจนทุกวันนี้แต่การที่น้ําพุ่งขึ้นและพุ่งลงไม่ปรากฏว่าแผ่นดินไหวนั้นก็เพราะเป็นความหนาของแผ่นดินนั่นเองประการที่สองด้วยอนุภาพของผู้มีฤทธิ์คือผู้ที่เป็นสมณะหรือเป็นพรามณ์ รวมทั้งเทวดาทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเมื่อเข้าฌานเจริญปฐวีกสินหรืออาโปะกะสินแล้วเมื่อมีความต้องการก็สามารถทำให้แผ่นดินสะเทือนกำเริบบันไหวได้ประการที่สามพระโพธิสัตว์ก้าวล่วงลงพระคันคือเมื่อใดที่พระโพธิสัตว์จุติเคลื่อนจากชั้นดุสิต มีสติสัมปชัญญะก้าวสู่คัน์พระมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนหวันไหวประการที่สี่พระโพธิสัตว์เสด็จออกจากคัน์พระมารดาประการที่ห้าพระโพธิสัตว์ดัสรุปอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประการที่หพระพุทธองค์แสดงธรร ม, มาจักประกาศพระศาสนาประการที่เจพระพุทธองค์ปรงพระชนมายุสังขาร ประการที่แปดพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานในบรรดาเหตุที่ทําให้แผ่นดินไหวแปดประการนั้นแผ่นดินไหวข้อแรกเป็นเพราะธาตุกาเริบแผ่นดินไหวข้อที่สองเป็นไปด้วยอนุภาพของผู้มีฤทธิ์แผ่นดินไหวข้อที่สามและข้อที่สี่คือการที่พระโพธิสัตว์ลงสู่พระคันของพระมารดา และออกจากประการนั้นแผ่นดินไหวเป็นไปด้วยอํานาจบุญญาธิการของพระองค์ส่วนประการที่ห้าแผ่นดินไหวในตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นไปด้วยอํานาจแห่งพระญาณคือพระปัญญาของพระพุทธองค์แผ่นดินไหวประการที่หในครั้งที่ประกาศทศศาสนา เป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาประจําแผ่นดินที่แท้ซองสาธุการแผ่นดินจิงประนาดฏวันไหวขึ้นมาประการที่เจ็ดแผ่นดินไหวเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ทรงปรองพระชนมายุสังขารแผ่นดินไหวขึ้นด้วยความการุณาเพราะทนต่อการวันไหวแห่งจิตใจของมหาชนไม่ได้แผ่นดินก็เลยไหวซึ่งก็เป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาที่ประจําอยู่บนแผ่นดินนั้นเอง ส่วนแผ่นดินไหวประการที่แปดในตอนที่เปรตินิพานก็เพราะแผ่นดินทนถูกกระนำด้วยกําลังแห่งการร้องไห้เสียใจของมหาชนไม่ได้ก็เลยเกิดอาการไหวด้วยอํานาจของเทวดาที่ประจําแผ่นดินเช่นเดียวกันขอให้ทราบว่าการที่แผ่นดินไหวนั้นไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินที่เป็นปฐวีธาตุที่เป็นมหาภูตรูปแต่อย่างใด เพราะพื้นแั่นดินนั้นไม่มีจิตปราศจากวิญญาณในการเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์มีพระชนพรรษาได้สิบหกปีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ได้ทรงศึกษาศิลปะทั้งปวงสำเร็จดังนั้นพระราชบิดาทรงใคร่จะประทานราชสมบัติแก่พระเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ปรึกษากับพระนางพุษฎีผู้เป็นพระมารดา จึงนำราชกัลยาณนามว่ามาัตสีผู้เป็นราชธิดาของพระมาตุละมาแต่มัธราชกุลให้ดำรงอยู่ในที่อัครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสตรีหนึ่งมื่นหกพันนางอภิสิกรเวศสันดอนโพธิสัตว์พระเวศสันดอนโพธิสัตว์ตรงตละทรัพย์หกแสน ยังมหาทานให้เป็นไปทุกวันทุกวันจำเดิมแต่การที่ดำรงอยู่ในราชสมบัตินั้นสมัยต่อมาพ่านางมัตรีประสูติพระราชโอรสพระญาตทั้งหลายรับพระราชกุมาร น, นั้นด้วยข่ายทองคําเพราะฉะนั้นจึงขนานทระนามว่าชาลีราชกุมารคําว่าชาละแปลว่าตาข่ายหรือแห คำว่าชาลีจึงแปลว่าผู้มีขายพอพระราชกุมารนั้นทรงเดินได้ทนางมัตตีก็ประสูตริพระราชธิดาระญาตทั้งหลายรับพระราชธิดานั้นด้วยหนังหมีเพราะฉะนั้นจึงขนานถนามว่ากันหาราชกุมารีคำว่ากันหะแปลว่าสีดำซึ่งหมายถึงหนังหมีที่ใช้รองรับพระราชกุมารีนั้น พระราชกุมารีติงชื่อว่ากันหาพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างตัวประเสริฐอันตกแต่งแล้วสเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้งหกแห่งเดือนละหกครั้งในการนั้นที่เมืองกาลิงคาราชเกิดขนแลงข้าวปลาไม่สมบูรณ์ไัยคือความหิวเกิดขึ้นมาก มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจทนต่อความหิวโหยอยู่ได้ก็ทำการโจรกรรมชาวชนบทถูกทุกข์ทุกข์พภัยข้าวยากหมากแพงเข้าเบียดเบียนก็ประชุมกันติเตียนที่ทลารหลวงเมื่อพระราชาตรัสถามถึงเหตุจึงกราบทูลเนื้อความนั้นรังนั้นพระราชาตรัสว่าดีละถ้าจะยังผลให้ตกลงมาเม่สรงชาวเมืองกลับไปแล้ว จึงทรงสมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลสินส้นเจ็ดวันก็ไม่สามารถที่จะกระทําให้ฝนตกลงมาได้พระราชาจึงให้ประชุมชาวเมืองแล้วรับสั่งถามว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลสินส้นเจ็ดวันแล้วก็ไม่อาจยังฝนให้ตกลงมาได้จะพึงทําอย่างไรต่อไปดีชาวเมืองจึงกราบทูลว่า ถ้าแต่สมมติเทพถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดอนทรงพระนามว่าพระเวสสัดนดรนั้นทรงยินดียิ่งในการบริจาคทานมีมงคลหัตถีสีขาวล้วนซึ่งมีนามว่าช้างปัจจัยนาะคเป็นช้างตัวประเสริฐเป็นช้างมงคล ไปถึงที่ใดฝนก็ตกลงในที่นั้นขอพระองค์จงส่งพรามทั้งหลายไปทูลขอช้างนั้นนำมาเถิดพระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าสาธุดีแล้วแล้วจึงให้ประชุมเหล่าพรามเลือกมาได้แปดคนก็คือหนึ่งรามะสองพระชะสามลักษณนะ สสุขาชาติมันตะห้ายันยะหกสุชาตะเจดสุยามะแปดโกนพันยะในบรรดาพรามทั้งแปดนั้นมีพรามที่ชื่อว่ารามะเป็นหัวหน้าพระราชาประธานเบียงส่งไปด้วยพระราชบัญชาว่าท่านทั้งหลายจงไปตูลขอช้างปัจจัยนาคจากพระเวสสันดร แล้วนำมาพรามทั้งแปดนั้นก็ได้เดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงเชตุดร น, นครแล้วก็ไปบริโภคก พ, พตตทหารในโรงทานแล้วก็กระทำสตรีระของตนให้เปื้อนด้วยธุลีรูปล้ายด้วยฝุ่นเพื่อให้ดูขมุกขมัวในวันรุ่งขึ้นพรามทั้งแปดเหล่านั้นก็ไปสู่ประตูเมืองด้านปราจีนทิศ ในเวลาที่พระเวสสันดรเสด็จไปสู่โรงทานป่ายพระราชาวเวสสันดรทรงรำพึงว่าเราจะไปดูโรงทานจึงสงสนานและสเสวยโภชนะรถเลิศต่างๆแต่เช้าสเสด็จประทับบนคอคชิานตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วสเสด็จไปทางประตูทางทิศตะวันตกพรามทั้งแต่ที่รอคอยอยู่ เมื่อไม่ได้โอกาสในที่นั้นจึงไปสู่ประตูเมืองทางด้านพิศใต้ยืนอยู่ณสถานที่อันเป็นที่สูงในเวลาเมื่อพระเวสสันดนโรโพธิสัตว์สเสด็จทอดพระเนตรโรงทานทางประตูด้านทิศตะวันตกนั้นเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทางประตูาด้านทิศตะวันตกแล้ว ก็เสด็จมาสู่โรงทานด้านประตูทิศใต้พรามทั้งแปดซึ่งนำโดยพรามรามะก็สบโอกาสโรงโรงทานประตูทางด้านทิศใต้นั่นเองพรามเหล่านั้นจึงเหยียดมือข้างขวาออกกล่าวว่าพระเวสสันดรผู้ทรงเจริญผู้ทรงชนะความตระณีพระเวสสันดรโพธิสัตว์เมื่อทอดพระเนตรเห็นพรามทั้งหลาย ก็บายช้างพระที่นั่งไปสู่ที่พรามเหล่านั้นยืนอยู่ประทับบนคอช้างแล้วตรัสว่าพราม์ทั้งหลายผู้มีขนรักแร้ดกมีเล็บยาวมีขนยาวและมีฟันเคอะมีธุรีบนสีสะเหยียดแขนข้างขวาออกจะขออะไรจากเราหรือพราม์ทั้งแปดนั้นกราบทูนว่าข้าแต่สมมติติเทพข้าพระองค์ทั้งหลาย จะทูลขอรัตนะซึ่งยังแว่นแฟนแห่งชาวสีผีให้เจริญขอพระองค์จงโปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐซึ่งมีงาดุดงอนไผสามารถเป็นราชพาหนะให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงสดับคำขอนั้นแล้วทรงดำริว่าอันที่จริง เราใคร่จะบริจาคทานที่เป็นปลายภายในตั้งแต่ศรีรษะเป็นต้นพราหมณ์เหล่านี้กลับมาขอทานที่เป็นปลายภายนอกกับเราแม้อย่างนั้นเราจะยังความปรารถนาของพราหม์เหล่านั้นให้บริบูรณ์ทรงประทับอยู่บนคอช้างตัวประเสริฐนั่นแหละแล้วตรัสว่าเราจะให้ช้างพลายทับมันตัวประเสริฐอันเป็นช้างราชพาหนะสูงสุด ที่พรามทั้งหลายขอแก่เราเราไม่ได้หวั่นไหวแต่อย่างใดคำว่าช้างพลายทับมันบางท่านอาจจะสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไรคำว่าซับมันเป็นอาการของช้างพลายที่เมื่อถึงฤดูผสมพันธ์แล้วก็จะมีความกำหนัดอย่างแรงกล้าและมีน้ำมันตกไหล ย, ย้อยที่บริเวณหน้า และที่อยวัยวะเพศจึงเรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนี้ว่าช้างทับมันหรือช้างตกมันหรือช้างตกน้ำมันก็เรียกรัตนพระเวทสันดรโพธิสัตว์เจ้าตรัสปฏิญญารับรองว่าจะพระราชทานช้างมงคลคู่บ้านคู่เมืองให้กับพรามทั้งแปดดังนี้แล้วก็เสด็จลงจากพอคชฉารตัวประเสริฐ แล้วทรงตรวจดูพชสารสามรอบเพื่อทรงตรวจดูที่กายช้างซึ่งประดับแล้วว่าจะมีสิ่งใดบ้างซึ่งยังไม่ได้ประดับให้งดงามแต่ก็ไม่เห็นในที่ซึ่งยังไม่ได้ประดับจึงทรงจับพระเต้าทองคำอันเต็มด้วยน้ำหอมเตือด้วยดอกไม้ตรัสกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าดูก่อนมาหาพรามทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงมาข้างนี้รงวางงวงช้างซึ่งเป็นเหมือนกับทวงเงินอันประดับแลว้วในมือแห่งพรามเหล่านั้นรงห่งน้ำลงพระราชทานช้างอันประดับประดาแล้วอย่างอลังการทั้งนี้ก็เพราะเครื่องประดับที่เท้าช้างมีราคาถึงสี่แสนเครื่องประดับอันอลังการที่สองข้างช้างราคาถึงสองแสน ตาขายคุมหลังสามถือ ข, า ย, า, ขายแก้วมุกดาขายแก้วมณีขายทองคำราคาส0 0แสนกระดึงเครื่องประดับที่ห้อยสองข้างราคาสองแสนผ้ารัตนกรรมพลแดงที่ลาดบนหลังราคา1 0 0่งแอลังการคุมที่ใต้ท้องราคา 1,000 แสสายรัดสามสายราคาส0มแสน ผู้เครื่องประดับที่หูทั้งสองข้างข้างหนึ่งราคาหนึ่งแสนปอกเครื่องประดับงาทั้งสองราคาสองแสนกไลเครื่องประดับทางที่งวงราคาหนึ่งแสนอลังการที่หางราคาหนึ่งแสนเครื่องประดับอันตกแต่งงดงามที่กายช้างยกเว้นพันธะที่ไม่มีราคาออกเสียรวมราคาแล้ว มากถึงยี่สิบสองแสนเกยสำหรับขึ้นราคาหนึ่งแสนอ่างบรรจุของบริโภคเช่นหญ้าและน้ำราคาหนึ่งแสนรวมเข้าด้วยอีกก็เป็น 24, ยีน่สิบสี่แสนยังมีแก้วมณีที่กาพูฉัดที่ยอดฉัดที่สร้อยมุกดาที่ขอที่สร้อยมุกผูกคอช้างที่กระพองช้างและที่ตัวพยาช้าง รวมแปดที่เป็นของอันประมาณข้ามิได้แล้วได้พระราชทานของทั้งหมดเหล่านั้นแก่พรามทั้งหลายและพระราชทานคนบำรุงช้างห้าร้อสกุลกับทั้งควานช้างคนเลี้ยงช้างในเวลาที่พระเวสสันดรนบรมโพธิสัตว์ได้พระราชทานช้างตัวประเสริฐกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านั้นก็เกิดอัศจรรย์ มหาปัทพีอันหนาของแสนสี่หมื่นยอดก็ดังสนั่นวันไหวหลุดช้างพลายตัวประเสดตกมันอาราวาทคำรามร้องเขาสิเนรุก็โอนไปทางด้านที่กรุงเชตุดอนนครตั้งอยู่หลุดหน่อไหวอ่อนที่โอนเองไปมาฉะนั้นฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงแห่งปัทพียังฝนลูกเห็บให้ตกลงมา สายฟ้าแลบ ก, ก็เกิดมีขึ้นในสมัยที่ไม่ใช่การเปล่งแสงแวบวาบสาครก็เกิดเป็นคลื่นกันป่วนเท้าสักกะติวราชก็ปรบพระหัตเท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเสียงโกราหนเป็นอันเดียวได้มีตลอดถึงพรห ม, มโลกนี้เป็นเหตุที่แผ่นดินไหวขึ้นเป็นครั้งที่สองในสมัยที่เสวยประชาติเป็นพระเวสสันดร พระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระบรมกษัตริย์พระราชทานช้างตัวประเสริฐแลว้วในการนั้นความน่าสะพึงกลัวขนทองสยองกล้าวได้เกิดมีเมธนีดนก็หวั่นไหวพรามทั้งแปดเมื่อได้ช้างแผลประตูด้านทิศใต้ก็นั่งบนหลังช้าง โดยมีมหาชนแวดล้อมขึ้นไปท่ามกามาลางพระนครมหาชนก็เข้าไปถามกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าเน่ท่านพรหมา์ผู้เจริญท่านขึ้นช้างของเราท่านได้มาแต่ไหนพรหมณ์เหล่านั้นตอบว่าช้างนี้พระเบสันดรมหาราชเจ้าพระราชทานแก่พวกเรากรุงการอะไรของพวกเจ้าจงพากันหลีกทางไป เมื่อได้ตอบกลับมหาชนดังกล่าวเช่นนี้แล้วก็พากันขับช้างไปถ้มกลางพระนครแล้วออกทางประตูทางทิษอุดรชาวพระนาครสีตีกโกรธเกิดความเคียดแพ้นพระบรมโพธิสัตว์เวสันดรด้วยเพราะเหตุเทวดาโดนใจให้คิดผิดจึงชุมนุมกันปล่าวติเตียนอย่างใหญ่หลวงแถบประตูวัง ร้องกล่าวโทษอันมหันต่อพระเจ้าสันชัยในบรรดาคนทั้งหลายที่มาประชุมกันนั้นก็มีทุกหมู่เหล่าคือพวกที่มีชื่อเสียงพระราชบุตรทั้งหลายพ่อค้าชาวนาทั้งหลายพราหมณ์ทั้งหลายทั้งทหารกองชา้างกองมา้ากองรถกองราบชาวนิคมชาวสีทีทั้งหลายประชุมกันแล้ว ทินช้างถูกพวกพรามทั้งแปดนำไปพวกเหล่านั้นได้กราบทูลพระเจ้าสัญชัยให้ทรงทราบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมติเทเแคว้นของพระองค์ถูกพระเวสสันดรกำจัดเสร็จแล้วโอรสของพระองค์พระราชทานช้างตัวประเสริฐของเราทั้งหลายซึ่งชาวเว่นแคว้นบูชาแล้วด้วยเหตุอะไรช้างนี้มีงาดุดงอนไผ่ เป็นพระราชพาหานะรู้ชัยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างขาวทั่วสารพางเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองทับมันอาจย่ำยีศัตรูได้เป็นช้างที่ฝึก ด, ดีแล้วพร้อมด้วยพัดวิชนีมีกายสีขาวเช่นกับเขาไก่ราชพร้อมด้วยสเวตฉัดทั้งเครื่องราชอันงดงาม ทั้งหมอทั้งคนเลี้ยงเป็นราชยานอันเลิศเป็นช้างพระที่นั่งพระราชาทานให้เป็นทัพแก่พราหมทั้งแต่เสียด้วยเหตุอะไรก็และคั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วก็ได้กล่าวต่อไปว่าพระเวสสันดรควรพระราชาทานข้าวน้ำและผ้านุ่งพระหม่มเสนาสะนะเพราะของเหล่านั้นผมควรแก่พรามทั้งหลาย พระเวสสันดรนี้เป็นพระราชาสืบวงมาแต่พระองค์เป็นผู้ทาความเจริญแก่สีพีรัตถ้าแต่พระเจ้าสันชัยพระเวสสันดรผู้เป็นพระราชาอรสพระราชทานช้างเสียทาไมถ้าพระองค์จะไม่ทรงทำตามคําขอของชาวสีทีชรอโรยชาวสีทีจะพึงทําพระองค์กับพระราชาอรสไว้ในเงื้อมมือของตน พระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับคำกล่าวโทษของพระเวสสันดรดังนั้นแลว้วทรงสำคัญว่าชาวเมืองเหล่านี้จับกรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าถึงชนบทจะไม่มีแท้แน่แแว่นแพ้นจากที่นาไปก็ตามเถิดเราก็จะไม่ประหารพระโอรสผู้หาความผิดมี้ได้จากแหวนของตนตามคำขอของชาวสีที เพราะลูกเกิดแต่อุระของเราและเราไม่พึงปฏิทินร้ายในโอรสนั้นเพราะเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและวัดอันประเสริฐ้คำติเตียนก็จะพึงมีแก่เราและเราจะพึงได้บาปเป็นอันมากฉะนั้นเราจะฆ่าลูกเวทสันดรด้วยศัตราอย่างไรได้ชาวสีพีได้ฟังอย่างนั้นจึงกราบทูลว่า พระองค์อยาประหารพระเวทสันดร น, นั้นด้วยท่อนไม้และสัตราเพราะพระปิโยรสนั้นหาควรแก่เครื่องพันธนาการไม่พระองค์จงเนรเทศพระเวทสันดร น, นั้นเสียจากแว่นแนผลนศีทีเถอดพระเจ้าสัญชัยเมื่อได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าถ้าชาวสีทีพอใจอย่างนี้เราก็จะกระทําตามคําขอแต่ขอให้พระโอรสของเรา จงอยู่ตลอดราตรีนี้ก่อนและจงเสวยความสุขทั้งหลายก่อนแต่นั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วอุดุลขึ้นแล้วชาวศรีพีจงพร้อมกันขับโอรสของเราจากเว้นแคว้นศรีพีชาวเมืองศรีพีรับพระราชดำรัสว่าพระโอรสนั้นจงยับยั้งอยู่สักหนึ่งราตรีก่อนก็คงได้กำลัดับนั้น เมื่อพระเจ้าสันชัยส่งชาวเมืองเหล่านั้นให้กลับไปแล้วเมื่อจะส่งข่าวแก่พระโอรสจึงตรัสเรียกนายนักการมาแล้วส่งไปยังสำนักของพระโอรสนายนักการนั้นรับพระราชทานกระแสรับสารแล้วก็สวมสัพทาพรนุ่งห่มดีแล้วประพรมด้วยแก่นจันทร์เข้าสนานศีสระในน้ำ แล้วสวมกุลทนมณีไปสู่รังอันน่ารื่นรมซึ่งเป็นพระนิเวศแห่งพระเวสสันดรเขาได้เห็นพระเวสสันดรรื่นรมอยู่ในวังของพระองค์นั้นซึ่งเปลือนไปด้วยเตวกามาตดุท้าวโกสีของเหล่าทวยเทพชาวไตรทศนาย น, นักการนั้นเมื่อไปถึงได้กราบทูลพระเวสสันดรผู้รื่นรมอยู่ว่าถ้าแต่สมมติเทศ ข้าพระบาทจักทูลความทุกข์ของพระองค์ขอพระองค์อย่า ก, กลี้วข้าพระบาทนายนักการนั้นถวายบังคมแล้วก็ร้องไห้กราบทูลพระเวทสันดอนว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เป็นผู้ชุบเลี้ยงข้าพระบาทเป็นผู้นำมาซึ่งความสุขความสบายทั้งปวงข้าพระบาทจักกราบทูลความทุกข์ของพระองค์เมื่อข่าวแสดงความทุกข์อันข้าพระบาทกราบทูลแล้ว ขอฝ่าปรปบาตทรงยังข้าบาะบาตให้ยินดีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทศชาวสีทีและชาวนิคมผัดเรื่องพระองค์พากันมาประชุมทั้งพวกคนที่มีชื่อเสียงและราชบุตรทั้งหลายรวมทั้งพ่อค้าพราหมณ์ผลช้างผลม้าผลรถผลราบ ชาวนิคมสีทีทั้งสิ้นประชุมกันแล้วในราตรีที่ผ่านมานี้ร้อมกันเนรเทศพระองค์จากเว้นแคว้ น, แ, วนแดนสีพีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ตรัสว่าชาวสีทีขัดเคืองเราผู้ไม่มีความผิดด้วยเรื่องอันใดท่านจงแจ้งความผิดนั้นแก่เราว่าทำไมชาวเมืองทั้งหลายจะไล่เราไปเสีย นายนักการกราบทูลว่าชาวนาครขัดเพื่องพระองค์เพราะพระราชทานพุศลสารตัวประเสริฐฉะนั้นพวกเขาจึงขับพระองค์เสียจากพระนครพระพุทธเจ้าค่ะกเวิสสันดอนโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็ทรงโสมนัสแล้วตรัสว่าดูก่อนนายนักการอย่าว่าแต่ช้างหรือแก้วแหวนเนงินทองอันเป็นทรัพย์ภายนอกเลยถ้าหากว่าจะมีผู้ใด มอโขดวงฤทยัยหรือจักสุแขนขวาแขนซ้ายของเราเราก็จะให้แกเขาโดยไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการให้ทานแม้ชาวสีธีทั้งปวงจะขับไล่หรือจะฆ่าหรือจะตัดตัวเราให้เป็นเจ็ดท่อนก็ตามาเราจะไม่งดเว้นจากการบริจาคทานเป็นอันขาด นายนักการได้ฟังดังนั้นเทวดาก็ได้โดนใจให้กราบทูลข่าวอย่างอื่นตามมาติของตนซึ่งพระเจ้าสันชัยหรือชาวเมืองไม่ได้กราบทูลเลยโดยนายนักการได้กราบทูลแก่พระเวสสัดนดรว่าชาวสีทีและชาวนิคมประชุมกันกล่าวอย่างนี้ว่าพระเวสสัดนดรผู้มีวัดอันงามจงเสด็จไปสู่ภูผา อันมีชื่อว่าอารันธรคีรีตามฝั่งแห่งแม่น้ำโกณติมาราตามทางที่พระราชาผู้ถูกขับไล่สเสด็จไปนั้นเถิดพรเวสสันดรโพธิสัตว์ได้ทรงสะดับดังนั้นจึงมีพระดำรัสว่าดีแล้วเราจะไปโดยมันคาที่สเสด็จไปแห่งพระราชาทั้งหลายผู้รับโทษก็แต่ชาวเมืองทั้งหลาย นี่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอย่างอื่นขับไล่เราเพราะเราให้คชสารเป็นทานเมื่อเป็นเชน่นนี้เราจะบริจาคตตะสตะกะมหาทานสักวันหนึ่งก่อนชาวเมืองจงให้โอกาสเราเพื่อได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเมื่อเราให้ทานแล้วจะไปในวันที่สามรั้นตรัสฉะนั้นแล้วจึงตรัสกับนายนักการต่อไปว่า เราจะไปโดยมันคาที่พระราชาทั้งหลายผู้ต้องโทษสเสด็จไปท่านจงบอกแก่ชาวเมืองทั้งหลายให้งดโทษให้เราสักคืนหนึ่งกับวันหนึ่งจนกว่าเราจะได้บริจาคทานต่อนเถิดนายนักการนั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็กราบทูลว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะถ้าพระบาทจากแจ้งความนั้นแก่ชาวพระนครและแจ้งความนั้นแก่พระราชาสัญชัย เมื่อกราบทูลชนิแล้วก็ดีไปพระเวสสันดรโพธิสัตว์เมื่อส่งนายนักการนั้นไปแล้วจึงให้เรียกมหาเสนาอมาตถเข้ามาเป้าดํารัตให้จัดตัตตะตตกะมหาทานว่าพรุ่งนี้เราจักบริจาคตัตตะตตกะมหาทานตัตตะตตะกะมหาทานนั้นก็คือการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของเจ็ดอย่างมีจำนวนอย่างละเจ็ดร้อย โดยพระเวสสันดรรับสั่งว่าท่านจงจัดช้างเจ็ดร้อยเชือกม้าเจ็ดร้อยตัวรถเจ็ดร้อยคันนางกษัตรเจ็ดร้อยนางโคโนมเจ็ดร้อยตัวทาสเจ็ดร้อยคนทาสีเจ็ดร้อยคนจงตั้งไว้ซึ่งข้าวน้ำเป็นต้นมีประการต่างๆติ่งทั้งปวงโดยที่สุดแม้สุรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้ก็จงจัดไว้แล้วส่งอัมมาททั้งหลายให้กลับไปต่อจากนั้นก็เสด็จไปยังที่ประทับของพนางมัสตีแต่พระองค์เดียวประทับนั่งข้างพระยี่ภูอันเป็นซิริตรัสกับพระนางมัสตีว่าพระดุกอันใดอันหนึ่งที่ฉันให้เธอทั้งทรัพย์อันประกอบด้วยซิริ มีเงินพองมุกดาไพฑูนที่มีอยู่มากและสิ่งใดที่เธอนำมาแต่พระชนกของเธอเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระราชาบุตรีพระนามว่ามัตตีผู้งามทั่วสรรพางกายจึงทูลถามว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพจะโปรดให้เก็ทบทรัพย์ทั้งนั้นไว้ในที่ไหนข้าพระองค์รับสั่งแก่หม่อมฉันผู้ทูลถามให้ทราบได้เถิด พระเวสสันดรบรมกษัตริย์ิงตรัสว่าดูก่อนพน้องมัตสีเจ้าจงบริจาคทานให้แก่ท่านผู้มีสีนทั้งหลายตามควรเพราะที่พึ่งของสัตว์ทั้งปวงอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าการให้ทานนั้นย่อมไม่มีพนางมัตสีรับพระดำรัสว่าสาธุดีแล้วรังนั้นพระบรมโพธิสัตว์เมื่อจะประทาน พระราโชวาทแก่พระนางให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสว่าดูก่อนพน้องมัตเตเธอจงเอ็นดูในพระโอรสและพระธิดาทั้งสองกับทั้งพระสัตสุแม่สามีและพระสัสรุระพ่อสามีกระสัดพระองค์ใดมาสู่ขอเธอเป็นชายาเธอจงบำรุงกระสันั้นโดยเคารพเพราะเธอกับที่จะต้องพรากจากกันในไม่ช้านี้ เธอจงสแสวงหาพัสดาอื่นเธออย่าลำบากเพราะพรากจากฉันเลยครั้งนั้นทนางมัตตีมีพระดำริว่าเหตใดพระเวสสันดรผู้เป็นพัสดาตรัสพระวาจาเช่นนี้จึงกราบทูลถามว่าถ้าแต่สมมติเทพพระองค์ตรัสพระวาจาอันไม่สมควรตรัสนี้เพราะเหตุอะไรลำดับนั้นพระเวสสันดรจึงตรัส ตอบผานางว่าแน่พน้องมัตตีผู้เจริญชาวสีพีขัดเคืองเพราะพี่ให้ช้างตัวประเสริฐไปเป็นทานจึงขับไล่พี่ออกจากเว่นแคว้นแดนสีพีนี้พรุ่งนี้พี่จะให้สัตตะสั ต, รสตรสกระมหาทานเสร็จแล้วจะออกจากพระนครในวันที่สามไปสู่ป่าอันประกอบไปด้วยพ ย, ยันตรายต่างๆเพียงลำพังแต่ผู้เดียว ซึ่งอาจจะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าน้องอีกพระราชบุตรีพระนามว่ามัตตีผู้งามทั่วสารทางกายได้กราบทูลถามพระราชสวามีว่าพระองค์ตรัสพระวาจาซึ่งไม่เคยมีหนอตรัสวาจาอันไม่สมควรข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์สเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่สมควรแม้หม่อมฉันก็จัตามสเสด็จไปด้วย การตายพร้อมกับพระองค์กับการมีชีวิตอยู่แต่ต้องพากจากพระองค์นั้นตายนั่นแลประเสริฐกว่าการพัดพรากจากพระองค์แล้วมีชีวิตอยู่จะประเสริฐอะไรต่อไฟให้รุกโผล่มีเปลียวเป็นอันเดียวแล้วตายเสียในกองไฟนั้นประเสริฐกว่าการพัดพากจากพระองค์จะประเสริฐอะไร นางช้างพังไปตามช้างพลายตัวประเสริฐอยู่ในป่าเที่ยวอยู่ตามภูผาทางกันดานสถานที่เสมอและไม่เสมอชันใดหม่อมฉันจะพาบุตรและบุตรปีตามเสด็จไปเบื้องหลังฉันนั้นหม่อมฉันจะประพฤกต์เป็นผู้เลี้ยงง่ายของพระองค์จะไม่ประพฤกต์ตนเป็นผู้ที่เลี้ยงยากของพระองค์พระนางมัตสีราชกัลยา กราบทูลพระพัสดาอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงพนานาถึงอิมวันตประเทศซึ่งเป็นเหมือนประหนึ่งว่าท่านางได้เคยทอดระเนตรเห็นมาแล้วจึงตรัสว่าเมื่อพระองค์ทอดระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะผู้จาน่ารักนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่า จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัต um ิเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ผู้มีเสียงอันไพเราะผู้จาน่ารักที่อาสมโรมนิยสถานจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระกุมารกุมารีทั้งสองนี้ตรงมาราประดับพระองค์ณอาสมโรมนียสถาน จับไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุณชรชาติมาต่างคะอายุล่วงหกสิบปีเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวเมื่อนั้นจับทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกุณชรชาติมาต่างคะมีวัยล่วงหกสิบปีเที่ยวไปในเวลาเย็นในเวลาเชา้าเมื่อนั้น จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดกุณชรชาติมาตังคะมีวัยล่วงเลยหกสิตีเดินนําหน้าโผงช้างพางไปทรงเสียงติกก้องโกนจ้นาศพระองค์ได้ทรงฟังเสียงร้องของช้างที่บรรลือก้องอยู่นั้นเมื่อนั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ผู้พระราชทานความเมตตาแก่ม่อมฉัน ทอดพระเนตรชัดไารเป็นหมู่ไม้ทั้งสองข้างมันคาอันเกลื่อนไปด้วยผ่านมฤคาเมื่อ น, นั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระองค์จักทอดพระเนตรเห็นมฤคะผู้มาเป็นแถวแถวแถวละห้าตัวและเหล่ากินนอนผู้พ้อนอยู่ในเวลาเย็นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ได้ทรงฟังเสียงสึกกล้องแห่งกระแสในแม่น้ำไหลและเสียงขับร้องแห่งปูนกินนอนเมื่อนั้นพระองค์จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ทรงสดับเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามตอกเขาเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์จักได้สดับเสียงแห่งสัตว์ร้ายในป่าหรือราชสีห์เสือโคร่งแรดโคลานเป็นต้นเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงผู้ปกคลุมด้วยแพนหางจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนไปด้วยนางนกยูงทั้งหลายรำแพนอยู่เมื่อนั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงตัวผู้เกลื่อนด้วยฝูงนางนกยูงมีแผนหางอันวิจิตรราแพนอยู่เมื่อนั้นจะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติเมือ่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนกยูงมีขนคอเขียวมีงอนเปลื่อนไปด้วยฝูงนางนกยูงรําแพนอยู่เมื่อนั้นก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติ เมื่อใดพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าพฤกษาชาติอันเบิกบานแล้วตรงกลิ่นหอมฟุ้งในเหอมันเตารุ่และพื้นดินเขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยมแมลงค่อมทองในเดือนเหนมันเมื่อนั้นจักไม่ตรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นรุกษาชาติอันมีดอกบานสะพรั่งคืออันชันเขียว ที่กำลังพิยอดอ่อนและต้นบัวบกมีดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมปุ้งในเหอมันะฤดูเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงะระลึกถึงราชสมบัติเมื่อใดพระองค์ได้ทอดตะเนตเห็นหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งและปฐมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นก็จะไม่ทรงะระลึกถึงราชสมบัติ พระนางมัตรีทรงพนานาถึงหิมะวันตับประเทศด้วยคาถามีประมาณเท่านี้กระ็หนึ่งว่าพระนางเคยเสด็จประทับอยู่ณหิมะวันตประเทศนั้นแล้วด้วยประการลัชนี้อาจธรรมภาพรับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรร ม, มเทศนาในพระเวสสันดรชาดกหิมะพานกันที่สองก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชนี